บทที่ 3. ผลดีของการบริหารเวลาผมเขียนข้อคิดหนึ่งไว้ในหนังสือข้อคิดเพื่อความสําเร็จว่าคําว่าบังเอิญไม่มีในพจนานุกรมความสําเร็จผมหมายความอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างไม่คาดฝันเช่นได้เหรียญทองวิ่งร้อยเมตรเนื่องจากนักกีฬาที่วิ่งนําหน้าเราเกิดกล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาอย่างกระทันหันหรือได้คําสั่งซื้อสินค้าจํานวนมาก เนื่องจากบริษัทคู่ค้าเข้าใจผิดว่าบริษัทของเราเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เขาต้องการจะติดต่อด้วยแต่ความสําเร็จที่มั่นคงและยาวนานซึ่งนําความภาคภูมิมาสู่จิตใจอย่างเหลือล้นนั้นย่อมไม่มีคําว่าบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อพิจารณาถึงความสําเร็จอันทรงคุณค่าของชีวิตเป็นความสําเร็จที่นํามาซึ่งความสุขและความอิ่มเอิมใจและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดทั้งยังเป็นความสําเร็จที่สมดุลครบด้านในชีวิตแล้ว คำว่าบังเอิญยิ่งอยู่ห่างไกลออกไปเหลือขนานับเพราะความสำเร็จอันทรงคุณค่าเช่นนี้ยอมไม่สามารถพึ่งพาความบังเอิญได้แต่ต้องอาศัยหยาดเหงื่อแรงงานการมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเอาจริงเอาจังความรู้ความเข้าใจในตนเองในผู้อื่นและในบริบทแวดล้อมต่างๆของชีวิตและที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้คือการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตอย่างดีเลิศความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ และผู้ที่ล้มเหลวในชีวิตนั้นอยู่ที่การบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตของแต่ละคนเป็นสําคัญคําว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่แยกออกไม่ได้จากคาว่าเป้าหมายถ้ามีคําว่าเป้าหมายก็ย่อมมีคําว่าความสําเร็จเพราะความสําเร็จที่แท้จริงย่อมเปรียบได้กับนักธนูที่วาดเป้าไว้ก่อนแล้วยิงลูกธนูเข้าไปสู่เป้าได้อย่างมั่นยํานักธนูที่ยิงลูกธนูออกไปก่อนแล้วค่อยวิ่งตามไปวาดเป้าล้อมลูกธนูทีหลัง ยอมไม่อ่านเรียกว่านักธนูที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตและผมมีความมั่นใจว่าคนที่สามารถบริหารการใช้เวลาในชีวิตได้ดีจะนำพานาวาชีวิตของเขาให้แล่นไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งได้ในที่สุดส่วนผู้ที่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิต ยอมไม่สามารถพานาวาชีวิตของเขาไปสู่เป้าหมายได้แต่ต้องอับปางจมหายไประหว่างทางหรือบางคนก็อาจปล่อยนาวาชีวิตล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายเพราะไม่เคยคิดไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยตลอดวันเวลาที่ผ่านมาหากจะพิจารณาถึงผลดีของการบริหารเวลาในรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวมาผมคิดว่าเราสามารถพิจารณาได้ดังนี้ทาให้ชีวิตมีเป้าหมาย เป็นเรื่องไร้สาระที่จะเลี้ยงลูกบอลโดยไม่รู้ว่าประตูอยู่ที่ไหนชีวิตของคนหลายๆคนเปรียบได้กับนักฟุตบอลที่พาลูกบอลไปข้า้งนั้นทีทางนี้ทีเพราะไม่รู้ว่าประตูที่จะยิงนั้นอยู่ที่ไหนชีวิตของเขาจึงล่องลอยไปมาเปะปะไรทิศ ท, ทางตอบสนองชีวิตตามสิ่งเา้าและสถานการณ์รอบด้านเท่านั้นตลอดชีวิตของเขาจึงไม่เคยพบผ่านความสาเร็จอย่างแท้จริงเนื่องจากไม่เคยมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปให้ถึง เขาจึงไม่สามารถได้ลิ้มลองความสุขความอิ่มเอมใจจากความสำเร็จที่ได้รับเลยจนชั่วชีวิตสาหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในชีวิตย่อมหลีกเลี่ยงการบริหารเวลาบริหารชีวิตไม่พ้นเขาจะไม่ยอมปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายแต่เขาจะเริ่มต้นบริหารเวลาด้วยการนั่งลงคิดพิจารณาแสวงหาเป้าหมายที่มีคุณค่าต่อจิตใจแล้วพยายามวางแผนในการใช้เวลาอย่างดีที่สุด พร้อมๆกับมุ่งมั่นบากบานันสู่เป้าหมายจนสำเร็จนักเรียนที่ไม่ต้องการไปโรงเรียนเพียงเพราะหน้าที่จะไม่ต้องการฆ่าเวลาเรียนด้วยการเหม่อลอยคุยกับเพื่อนหรือนั่งหลับแต่เขาจะบริหารเวลาบริหารชีวิตในวัยเรียนของตนอย่างดีที่สุดโดยเริ่มต้นใคร่ครุนว่าเขามีเป้าหมายจะเป็นอะไรหรือจะทำสิ่งใดในอนาคตจะเป็นแพทย์หรือทนายความหรือเภสัชกรวิศวกรหรือสถาปนิก เขาจะต้องทําคะแนนได้มากเท่าใดจึงจะสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องการได้เขาจะต้องจับเวลาในการอ่านทบทวนตำราฝึกข้อสอบมากน้อยเท่าใดในแต่ละวันเป็นต้นเราอาจกล่าวได้ว่าการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารเวลาเป็นจุดกระตุ้นให้เราค้นหาเป้าหมายที่มีคุณค่าในชีวิตและเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเป้าหมายนั้นจะกลับมากระตุ้นเราให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจบริหารเวลาในชีวิตอย่างดีที่สุด จนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเป้าหมายนั้นพนักงานบริษัทที่มีเป้าหมายว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารในวันหนึ่งเขาจะรีบเร่งฝึกฝนพัฒนาตอนในทุกๆทางเขาจะมีวินัยสูงสุดในการทำงานจะไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ตื่นสายและมาทํางานสายเขาจะเอาใจใส่รับผิดชอบงานอย่างดีที่สุดและเรียนรู้งานให้มากที่สุด การบริหารเวลาจึงสามารถเปลี่ยนคนที่ล่องลอยไร้จุดหมายให้กลายเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตได้เช่นนี้ทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้การมีเป้าหมายไม่เคยทำให้ใครไปถึงความสำเร็จได้จนกว่าเขาจะทุ่มเทบากบันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นสำหรับคนที่มุ่งมั่นในเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงแล้วเขาจะตระหนักถึงคุณค่าของเวลาทุกวินาทีและจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลักดันชีวิตของเขาไปสู่เป้าหมายนั้นเขาจะไม่ใช้เวลาอย่างทิ้งขว้างไม่ฆ่าเวลาเสียเปล่าๆด้วยการเที่ยวเดินชอปปิ้งวันละหลายชั่วโมงสัปตาหละหลายครั้งนั่งจอมอยู่หน้าโทรทัศน์ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับแบบกินบ้านกินเมืองอยู่ทุกๆวันแต่เขาจะใช้เวลาในการวางแผนสู่เป้าหมายอย่างเอาจรงิงเอาจงังเขาจะวางตารางเวลาในชีวิตแต่ละวันว่าจะต้องทำกิจกรรมใดในช่วงเวลาใด แต่ละช่วงของชีวิตทั้งในระยะสั้นระยะยาวว่าจะต้องทําอะไรจะต้องฝึกฝนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนในด้านใดบ้างจึงจะเอื้อต่อการก้าวสู่ความสําเร็จไม่ต่างอะไรกับนักกีฬาที่มีเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองโอลิมปิกเขาจะตั้งใจในการฝึกซ้อมควบคุมวินัยการนอนการกินอย่างดีเลิศไม่นอนมากหรือนอนน้อยจนเกินไปไม่กินอาหารตามใจปากแต่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่า ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อไม่เที่ยวเตร่กลางคืนและอื่นๆมุ่งมั่นอุตสาหะในการทำตารางเวลาและข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดเอาจริงเอาจังจะส่งผลเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตได้ในที่สุดผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและภาคเพียรอดทนทาตามแผนการบริหารเวลาบริหารชีวิตของตนอย่างมุ่งมั่นเอาจิงเอาจังไม่ยอมเลิกลาหรือล่าถอยไปกลางคัน ยอมได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลแห่งชีวิตดุดเดียวกันทำให้ชีวิตมีคุณค่าความหมายผมประทับใจข้อคิดของคนคนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าคนที่ฆ่าเวลาทิ้งไปเปล่าๆคือคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตคนที่ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตว่าเป็นชีวิตที่มีความหมายทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นจะใช้เวลาในชีวิตอย่างสุรุย่ยสุร่ายเรื่อยเปื่อยไปวันๆอย่างไร้ความหมายเขาอาจจะเสียเวลาวันละหลายชั่วโมง กับการนั่งคุยเรื่องไร้สาระอ่านหนังสือพิมพ์แทบทุกตัวอักษร น, นั่งปล่อยความคิดให้เผลอลอยไปกับฝันกลางวันนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์กดรีโมทคอนโทรเปลี่ยนช่องไปมาฆ่าเวลาไปกับสิ่งที่เขาเองก็ไม่ได้ต้องการจะดูอย่างแท้จริงเขาไม่ได้ตระหนักว่าเวลาที่เขาเรียราาทิ้งไปนั้นสามารถนําไปใช้ทําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นได้อย่างมากมายเช่นใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะที่จะมีส่วนช่วยจริญจิตใจของคนในสังคม อ่านนังสือแสวงหาความรู้ที่จะช่วยยกระดับปัญญาของตนให้สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นช่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในสังคมมากขึ้นหลายคนอาจจะเคยคิดฝันว่าถ้าหากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆล้านคงจะไม่ต้องทาอะไรนั่งกินนอนกินเที่ยวเล่นหาความสาราญไปวันๆคงจะเป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าเมื่อเขาไปถึงจุดนั้นเขาจะพบว่าชีวิตแบบนั้นช่างน้าเบื่อหน่ายเสียจริงๆผมเคยพบหลายคนที่เมื่อเกษียณใหม่ๆรู้สึกมีความสุขสบายใจที่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปใช้ชีวิตนั่งๆนอนๆไปวันๆแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เขากลับรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายไม่มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตช่างว่างเปล่าไร้คุณค่าความหมายจนต้องขวนขวายหางานที่เหมาะสมทำในที่สุด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ได้กําเนิดมาอย่างว่างเปล่าเพื่อทําสิ่งว่างเปล่าในชีวิตแต่เราทุกคนล้วนเกิดมาอย่างมีคุณค่ามีความหมายเพื่อทําสิ่งที่มีคุณค่าความหมายในชีวิตเป็นจริงตามคํากล่าวของคนหนึ่งที่กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่าความจริงสามันประการหนึ่งนั้นคือมนุษย์จะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อบางสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเขา และการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนตลอดจนถึงการบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนั้นคือหลักประกันชีวิตที่มีคุณค่าความหมายที่แท้จริงทำให้ชีวิตสมดุลครบด้านหลายคนคงเคยดูการแสดงมายากลชุดโยนส้มที่นักมายากลจะโยนส้มหลายๆลูกขึ้นไปในอากาศในเวลาพร้อมๆกันสิ่งที่น่าทึ่งคือเขาสามารถโยนและรับส้มหลายลูกสลับกันไปมาได้อย่างคล่องแคล่ว และไม่ตกหล่นเลยตลอดการแสดงนั้นการโยนและรับส้มหลายลูกในเวลาเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าการโยนและรับส้อมเพียงหนึ่งลูกเพราะผู้โยนจะต้องรู้จังหวะเวลาการขึ้นลงของส้มแต่ละลูกรู้ว่าเวลาใดจะต้องโยนส้มลูกใดขึ้นไปและเวลาใดจะต้องรับส้มลูกใดการดําเนินชีวิตของเราแต่ละคนก็เปรียบได้กับการโยนส้มของนักมายากลส้อมแต่ละใบในชีวิตของเราคือครอบครัวหน้าที่การงานมิตรภาพ สังคมชีวิตส่วนตัวและอื่นๆที่เราจําเป็นต้องรู้จังหวะเวลาของส้มแต่ละใบในชีวิตว่าเวลาใดที่เราควรจะให้กับครอบครัวและด้วยปริมาณที่มากเท่าใดเวลาใดที่ควรให้กับเพื่อนๆหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวหรือการรับใช้สังคมถ้าเราจัดสรรเวลาให้กับด้านต่างๆในชีวิตได้อย่างสมดุลชีวิตของเราก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แต่ถ้าเราให้เวลากับส้มลูกใดลูกหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะทำใหเรารับส้มลูกอื่นไม่ทันทำให้ส้มลูกนั้นตกลงมาแต่เกิดความเสียหายได้นี่เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้เสมอในสังคมนักธุรกิจยิ่งใหญ่ได้รับการยกชูในสังคมแต่กลับมีชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวต้องอย่าร้างครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะไม่เคยมีเวลาให้กับภรยาได้อย่างเพียงพอนักการเมืองที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต แต่ลูกไม่เรียนหนังสือได้แต่เที่ยวสำเมมลเทเมาเพราะขาดความอบอุ่นจากพ่อนักเรียนนักศึกษาที่เรียนได้คะแนนเกียรติยมยอดเยี่ยมแต่มีชีวิตที่เงียบเหงาอมทุกข์เพราะไม่มีเพื่อนเนื่องจากวันๆได้แต่โคลกตัวอยู่ในห้องสมุดไม่เคยใช้เวลาพูดคุยสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างสมควรดารานักร้องมีชื่อเสียงขับฟ้าแต่บ้านปลายชีวิตกับรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไร้ความหมายเนื่องจากให้เวลาแต่การสร้างสมชื่อเสียงเพื่อตนเอง ไม่เคยให้เวลากับภารกิจเพื่อสร้างสรรพัฒนาสังคมอย่างจริงจังเลยตลอดชีวิตผู้ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารเวลาบริหารชีวิตและมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนอย่างไม่ลดละสู่การเป็นนักบริหารเวลาและนักบริหารชีวิตผู้เชี่ยวชาญดังเช่นนักมายากลชั้นยอดเท่านั้นจึงจะสามารถนําพาชีวิตทุกๆด้านไปสู่เส้นชัยแห่งความสําเร็จได้ดังใจปรารถนาทําให้มีความสุขความพึงพอใจในชีวิต ความสุขคือผลพลอยได้ของความสําเร็จโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่าคํากล่าวนี้คือสัจจะข้อหนึ่งของมนุษย์ทีเดียวการที่เราวิ่งไล่ไขว่คว้าหาความสําเร็จในชีวิตก็เพราะเรารู้ว่าเราจะสามารถพบความสุขความพึงพอใจได้ที่นั่นแต่ความสําเร็จที่แท้จริงเท่านั้นที่นํามาสึ่งความสุขที่แท้จริงหากสิ่งที่ได้มาพร้อมกับความสําเร็จคือความทุกข์กระทมใจเราทุกคนคงจะพยายามวิ่งหนีความสําเร็จ และตังต้งนาต่างๆวิ่งเข้าหาความล้มเหลวแทนเป็นแน่เรามีความสุขความพึงพอใจเมื่อเราสอบได้คะแนนดีๆสอบเลื่นชั้นได้สอบเข้าคณะที่ต้องการได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรที่ต้องการได้ทำงานที่หัวหน้างานมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างดีเลิศชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสินค้าที่เราผลิตหรือสั่งมาจาหน่ายขายดีเป็นเทน้าเท่า ได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมได้รับใช้สังคมในแง่มุมที่เราสนใจและห่วงใยสอบชิงทุนเรียนต่อได้ความสุขความพึงพอใจเหล่านี้ย่อมมาจากการประสบความสําเร็จในด้านต่างๆในชีวิตซึ่งย่อมเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นอุตสาหะภาคเพียนในการบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างเอาจริงเอาจังนั่นเองนอกจากนี้การบริหารเวลาที่ดียังนํามาสร่งความสุขความพึงพอใจในชีวิตอีกแง่มุมหนึ่ง คือเมื่อเราสามารถจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงสำหรับการพักผ่อนประจำวันสำหรับงานอดิเรกที่เรารักการได้ใช้เวลากับคนที่มีความหมายพิเศษสำหรับเราการเป็นเจ้าของสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เนื่องจากมีเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเป็นเจ้าของจิตใจที่สดชื่นเนื่องจากไม่ต้องเคร่งเครียดนักกับเส้นตายของงานและการได้ไปพักผ่อนจากอ า, ากาศเป็นประจำทำให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วงและได้รับความก้าวหน้าในชีวิต สมชายเป็นพนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งเขาเป็นคนขยันขันแข็งมากคือขยันในการมาสายอยู่เป็นประจำแถมยังเป็นนักอู้ตัวฉกาศชนิดหาตัวจับได้ยากวันๆได้แต่เดินไปมาแซลคนนั้นคนนี้ยกหูโทรศัพท์โทรถึงเพื่อนอยู่เป็นระยะๆะะเข้าห้องน้ำบ่อยๆครั้งละนานๆงีบหลับเป็นช่วงๆทำงานพอเป็นกระสายไม่เคยส่งงานตรงเวลาที่กำหนดเลยสักครั้งสมศักดิ์ เป็นพนักงานที่มีความขยันขันแข็งอย่างแท้จริงเข้างานแต่เช้าเลิกงานหลังเวลาเลิกวันวันจดจ่อกับการทํางานอย่างขมักขะม้นเอาจริงเอาจังแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาเป็นคนใจดีเหลือเกินใครทําอะไรไม่ได้จะมาขอร้องให้เขาช่วยทําคิดอะไรไม่ออกก็มักจะโทรมาหาคําตอบกับเขาในระหว่างเวลาทํางานครั้งละนานๆ ใครป่วยไม่มาทํางานก็มักจะฝากงานไว้กับเขาสมศักดิ์ทํางานทุกอย่างเช่นนี้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนดาวขึ้นแต่เมื่อถึงกําหนดเวลาส่งงานในความรับผิดชอบของตนเองก็พบว่าเขายังทํางานเหล่านั้นไปไม่ได้ถึงไหนเลยระหว่างสมชายและสมศักดิ์ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับความก้าวหน้าในชีวิตคําตอบก็คือหากทั้งคู่ไม่เรียนรู้ที่จะบริหารเวลาบริหารชีวิตของตนเสียใหม่ก็คงจะต้องประสบกับความล้มเหลวไปตลอดชีวิตเป็นแน่ การบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตจะทำให้คนพัฒนาตนจากความบกพร่องต่างๆได้สมชายจะต้องเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตนอนให้เร็วขึ้นเพื่อจะตื่นแต่เช้าไปทำงานทันเวลาเลิกเป็นนักอู้ด้วยการหันมาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเวลาขมักขม้นทางานอย่างเต็มที่รับผิดชอบงานอย่างดีที่สุดพยายามทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาเสมอส่วนสมศักดิ์จะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เขาหันเหไปจากงานในความรับผิดชอบโดยการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคำขอร้องที่ไม่สมเหตุสมผลของผู้อื่นและหาวิธีการจัดการกับโทรศัพท์ที่ชอบขัดจังหวะในการทำงานอยู่เสมอหากทั้งคู่บริหารเวลาบริหารชีวิตได้เช่นนี้งานทุกอย่างย่อมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและความก้าวหน้าในชีวิตการทางานย่อมเป็นของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมอยากจะฝากข้อคิดในท้ายบทนี้ว่า ชีวิตมีสิ่งดีอยู่มากมายเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้หวานเวลาให้กับสิ่งดีๆในชีวิตแล้วเท่านั้น